เห็นนะผมพ่อพาทำลองดูเราเสร็จกรรมได้ไหมสี่สิบห้าท่าเอากระเป๋าวางไว้ข้างๆอามือวางไว้ที่หัวเข่าวางที่หัวเขาเราลองลองดูมเหมือนที่อาจารย์ต้มนะบอกคือสูตรคูณอันนี้ก็เป็นสูตรเฉยๆนะเป็นที่ใช้ เป็นแบบสุกขัดเนาะแต่จริงชีวิตจริงเราคือเราจะเลื่อนไปแบบไหนเราก็รู้แต่ไอแบบนี้มันต้องตั้งใจซะหน่อยเพราะว่าชีวิตเราจะเจมไม่ยกมือสิบสี่ท่าสิบห้าท่าแบบนี้บางทีถ้าขาดสติก็จะลืมยกผิดท่านะลองดูเนาะให้ให้ลองทำเป็นจังหวะเราวางอะไรเราก็ลองทําทําไมถึงอยากให้ลองทํามันไม่ใช่เหมือนฟังทำแล้วมันจะบรรลุทำง่ายๆมันเหมือนคล้าย เราไปเรียนวิธีทำอาหารแต่เราไม่เคยมาลองฝึกเลยอ่ะเราทําให้เต็มนะเห็นเขาทําเหมือนง่ายแต่เรามาทําจริงๆไม่อร่อยเหมืนอนเขาทําเลยใช่ไหมอือ ม, มันต้องเป็นการฝึกเนยเหมือนเห็นเราพอพูดเหมือนง่ายนะสนุกป่วย <c oughs> แต่เราก็รู้มันไม่ง่ายๆถ้าเราไม่ฝึกใช่ไหมมันก็เลยว่าเอาม็เลยไม่อยากแค่บรรยายคําได้ฟังแล้วนะแต่ถ้าเราได้ลองฝึกหัดสักหน่อยเราจะเกิดทักษ์ของเรานะ อ่ะมือวางไม่ที่ห <li broken dance> e, ัวเข่าเนาะมืออยู่ที่หัวเข่ารู้ไหมวิธีนี้ไม่ต้องหลับตานะมองธรรมดาอิดมือขวาตะแคงมือขวาตั้งขึ้นรู้สึกตัวนะยกมือขวาขึ้นรู้ตัวมือขวาวางที่หน้าท้องรู้สึกปิดมือซ้ายตะแคงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกวางทับมือขวา ดู้ไหมรู้รู้วเสรียดรู้ว่าคบางมือขวาเลื่อนขึ้นรู้สึกมือขวามนะือขวาออกข้างข้างรู้สึกตั้งลงรู้คว่ำรู้มือซ้ายเลื่อนขึ้นรู้ออกข้างข้างตั้งลงรู้คว่รู้อีกมือขวา รู้สึตัวนะยกรู้วางทีทง่ท้องปิมือซ้ายรู้ตัวเนะยกขึ้นมาก็ารู้ตัวรู้ไหมนี่คือเพื่อนนะวางทับมือขวามือขวาเลื่อนขึ้นออกข้างข้างตั้งลงของเขา่ขาคว่ำลงมือซ้ายเลื่อนขึ้นออกข้างข้างตั้งลงเขา่า กล้องลงจำได้ไหมอ่ะ้องทำดูสามนาทีจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้แต่ดูดนะูอัดมาดูฟ้าจานนะเดี๋ยวไม่เห็นข้างหลัง นครับเป็นครั้งไปที่ทองอะอรที่ทองอะไวาเลื่อนปีับสนนะซ้ายขวานะะเอาขวาก่อนนะจุกครั้งนะขวา ใครจำได้ก็ทำทำจังหวะเราเองเลยก็ได้เนาะช้าเบลที่มันพร้อมกว่าพวกเรา เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายเคลื่อ น, นรู้นะแล้วก็หยุดแล้วก็รู้ใหม่รู้เป็นครั้งมองตรงๆ ต, ตาโตๆหายใจสบายสบาย เป็นไงกันบ้างไงดบ้างดีนอนท้า ย, ยนอะไรก็มือ <c oughs> มันต้องมันต้องมาคิดท่านั้นท่านี้ใช่ป่ะมมีใครกลัวผิดท่าไหมกลัวก็ท <c oughs> ำให้กลัวนะนแต่เราไม่เคยทําแบบนี้ครับเนะเไม่เคยทําแบบนี้มันได้อาจจะกลัวบ้างนะ แต่นี้เหมือนเป็นรูปแบบเฉยๆคล้ายๆเหมือนวิธีแอลรบิกวิธีออกกําลังกายโยคะมันมีหลายธาตนะแต่ก็คือจุดหมายก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมวิธีปฏิบัติธรรมก็มีหลายรูปแบบผมว่าเทียนเป็นแบบนี้นะบางวิธีก็ดูลมหายใจบางวิธีก็บริกรรมนะนั่นเหมือนเป็นวิธีออกกําลังกายมีหลายรูปแบบ วิธีของหลวงพเทียนคือวิธีปฏิบัติธรรมในรูปแบบที่ว่าเคลื่อนไหวนะแล้ให้รู้สึกตัวนะอันนี้เป็นท่าที่เป็นรูปแบบเฉยแต่จริงมันคือแค่เบื้องต้นแต่ที่จริงหลักะจริงๆคืออย่างที่บอกกันแน่แค่ถ้าเราอยู่ในที่อื่นที่ไม่มีใครรู้จักวิธีนีน้เราจะแค่พลิกมืองายพลิกมือคว่ำแค่นี้ก็ได้นะครับ หลือวคืนนิ้วรู้สึกตัวก็ได้หรือใครจําได้ไหมตอนหลวงพ่เทียนเออหลวงพ่อทเขียนท่านนอนนอนแบบเนี้ไหนกระดิกเท้าหรือบางทีก็กระดิกนิ้วนะอืมแบบนั้จะได้นะโยมถ้าก่อนนอนกลางคืนเดียวน่ะนอนกระดิกนิ้วนอนกระดิกเท้าอันนี้คือการทำความรู้สึกตัวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่านอนแล้วคิดนั่นคิดนี่มันจะนอนไม่หลับนะเราต้องนอนกระดิกเท้าไป น, นี่ก็คือรูปแบบนะถ้าเรามีโอกาสเร้อยู่คนเนียเราก็ทําแบบนี้ก็ได้แต่วิธีนี้มันก็จะดีในแง่เช่นมันมีการเคลื่อนการหยุดเนาะในชีวิตจริงของเราบางทีเคลื่อนต่อเนื่องขวานบ้านทูบ้านบางทีก็ดื่มดื่มตัวได้ง่ายแต่นี้เหมือนมันเหมือนต้องตั้งใจหยุดอ่าตั้งใจยกใหม่ตั้งใจหยุดนัมันจะเป็นการทำได้ การรู้ตัวทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยเนี่ยเราก็ทํามีโอกาสก็กทำเนาะแต่ติดตีท่าก็ได้พิ๊กมืองายพลมือคว่ำมืก็ได้เนา ะ, นะเดี๋ยวปฏิบัตต่อสักหน่อยเนาะเด๋เดินจงกรมสักหน่อยเดี๋ยวตอนท้ายมีอะไรให้ถามให้ทามเนาะอืมอะเอาเหมือนตอนเช้าโยมนะอ่ะสักสิบนาทีเนาะเอากระเป๋เาไว้ที่ เก้าอี้นะนะให้ตั้งใจมีเวลาไม่มากเนาะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนิยาวดว่าขยับเก้าอีอาาา้นะในกานอยู่ข้างๆเก้าอี้หเหมือนเดิมนะขย า, ายกันให้แถวไม่ต้องเยอะมากนะ